85. ธรรมชาตินี้แลถ้าดับชาติในตนได้ก็แก้ธรรมะผู้ปฏิบัติต้องสามารถอ่านรูปกายนามกายของความเป็นชาติที่เป็นธรรมะสองปรุงแต่งกันขึ้นและสามารถจัดการกับพลังงานที่ชาติอยู่ทั้งหลายให้ดับและเกิดได้จริง ด้วยอาการลิงคะนิมิตอุเทศสำเร็จจึงจะเห็นความดับความเกิดกันจริงๆซึ่งก็ต้องเข้าใจภาวะแห่งความเกิดห้าชาติสัญชาติโอกันตินิพพติอาพินิพพตติแล้วผู้ปฏิบัติก็จัดการกับการเกิดขั้นจิตในจิตนี้ ให้เป็นนิพพัติอภพนิพพติจนถึงขั้นบ ร, ริบูรณ์ให้ได้ความเกิดของจิตโอปปาติกะโยนี้ต้องมีอาการของจิตถึงขั้นนิพพติจึงจะเข้าขั้นโลกุตรธรรมผู้ศึกษาธรรมะมาถึงขั้นเชื่ออย่างกระจางแจ้งสนิทแน่แล้วว่า ทุกสรรพสิ่งล้วนก็คือธรรมะเท่านั้นที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็หลงว่าตนจบแล้วบรรลุแล้วอยู่กับตักกาแค่นี้นั่นยังไม่ใช่การบรรลุใดๆเลยหลงปล่อยวางกันแค่ได้รู้แจ้งเห็นจริงกันอยู่แค่ขั้นนี้เท่านั้น แล้วหลงว่าตนได้เข้าถึงธรรมะแค่นี้ก็ยังหลงผิดอยู่แท้นั่นมันแค่ขั้นรู้ยิ่งเห็นจริงเท่านั้นยังไม่ได้กำจัดอัตตาด้วยการปฏิบัติให้เข้าถึงหรือบรรลุธรรมอุปสะสมปัชชิติจนกระทั่งกิจเจตสิกของตนเกิดเข้าสู่พบใหม่โลกุตระนิพัติ ถึงขั้นเข้าถึงพร้อมแล้วเป็นผู้บรรลุแล้วอุปสัมปณะของตนแต่อย่างใดต้องปฏิบัติจนสามารถเกิดปัญญามีนามรูปปริเฉตญาณกันจริงๆแล้วจึงจะเกิดโสรถญาณที่เป็นจริงมีจริงเป็นลำดับไม่ใช่มีแค่ปัญญาแค่เห็นแจ้งลึกจริงแล้วอยู่ โดยไม่มีสภาวะธรรมที่เกิดที่เป็นให้ตนรู้จักรู้แจ้งรู้จริงตามยานส6นั้นครบครันเป็นขั้นเป็นตอนละเอียดลึกยิ่งนักจนกระทั่งมียานของตนเห็นความปล่อยวาง มูลจิตุกรร ม, มยตาญาณในจิตของตนอย่างมีรูปกายนามกายยืนยันแก่ตนทนโทธ้ตง ต, งตง้หลัดหลัดเป็นผู้ดับชาติสำเร็จได้จริงจึงจะเป็นผู้แก้ธรรมะเปลี่ยนแปลงธรรมในธรรมของตนได้จริง